สรุปสาระสำคัญพระสุตตันตปิดกประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตรคือพระธรรมเทศนาคำบรรยายหรืออธิบายธรรมะต่างๆที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสตลอดจนบทประพันธ์เรื่องเล่าและเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นห้านิกายเรียกย่อหรือมีหัวใจว่า ทีมะสังอังคุมีทั้งหมดย5บห้าเล่มคือ 1. นึ่ทีฆะนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดยาวสามเล่ม2มัชชิมะนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดกลางสามเล่ม 3. สังยุตตานิกายชุมนุมพระสูตรที่เกี่ยวกับหัวเรื่องเดียวกันห้าเล่ม 4. อังคุตระนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดตามจำนวนข้อธรรมะห้าเล่ม 5. คุตตกนิกายชุมนุมพระสูตรภาษิท์คำอธิบายและเรื่องราวเบตเเล็ดเก้าเล่ม 1. ทีฆะนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดยาวเล่มเก้าศีลขันธวั์ มีพระสูตรขนาดยาวสิบสามสูตรเริ่มด้วยโรมมาชาละสูตรหลายสูตรกล่าวถึงความถึงพร้อมด้วยศีลขันซึ่งบางทีก็จำแนกเป็นจุลศีลมัชชีมาศีลมหาศีลจึงเรียกว่าศิลขันทวัคเล่มสิบมหาวักมีพระสูตรขนาดยาวสิบสูตรส่วนมากชื่อเริ่มด้วยมหาเช่นมหาปริณิพานสูตร มหาสมยสูตรมหาสติปทานสูตรเป็นต้นเล่มสิบเอ็ดปาติกวัคหรือบางทีก็เรียกปาติกวัมีพระสูตรขนาดยาวสิบอ็ดสูตรเริ่มด้วยปาติกสูตรหลายสูตรมีชื่อเสียงเช่นจักรวัตติสูตรอคัญยสูตรสิงคาลกะสูตรและสังคีติสูตร 2. มชิมะนิกายชุมนุมพระสูตรขนาดกลางเล่มส2องมูลปันนาฏในวงเล็บบ้นตน้นมีพระสูตรขนาดกลางห้าสบสูตรบางสูตรอาจจะคุ้นชื่อเช่นธรรมทายาทสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรสติปัฏฐานสูตรระถววินีตสูตรวีมังสกสูตร เล่มสิมมชิมปัญนาตในวงเล็บบั้นกลางมีพระสูตรขนาดกลางห้สิบสูตรที่อาจจะคุ้นชื่อเช่นเสขปฏิปทาสูตรชีวกหรือชีวกกะสูตรอุปาลิวาตสูตรอภยราชกุมารสูตรมาคันธิยสูตรรัฐปาลสูตรโพธิราชกุมารสูตรองค์คุลิมาลสูตร ธรรมเจดียสูตรวาเสตสูตรเล่มส4สอุปริปันธาตในวงเล็บบั้นปลายมีพระสูตรขนาดกลางห้าสบสูตรมีเนื้อหาแตกต่างกันหลากหลายเช่นเทวัทหาสูตรโคปกะโมคลานาสูตรส ป, ปุริสสูตรมหาจัตตารีสกสูตร อานาปณะสติสูตรกายคตาสติสูตรพัฒกรัตตสูตรจุลกรร ม, มวิพังคสูตรสัจจะวิพังคสูตรปุนโนวาทะสูตรสลายตนะวิพังคสูตรอินทริยะหรืออินรียะภาวนาสูตรสสังยุตตนิกาย ชุมนุมพระสูตรที่เกี่ยวกับหัวเรื่องเดียวกันคือชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเข้าเป็นกลุ่มกลุ่มเรียกว่าสังยุตหนึ่งหนึ่งตามเรื่องที่เนื่องกันหรือตามหัวข้อหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมห้าสิบหสังยุตมีเจ็ดันเจ็ด้อยหสิสองสูตรเล่ม 15, สิบห้าสคาทวรตรวมคาถาภาสิทธิทตรัสและกล่าวตอบบุคคลต่างๆ เช่นเทวดามารภิกษุณีพรามพระเจ้าโกศเป็นต้นจัดเป็นกลุ่มเรื่องตามบุคคลและสถานที่มี11บอ็ดสังยุตเล่มส6บหนิทานวักเครื่องเล่มว่าด้วยเหตุและปัจจัยคือหลักปฏิจจสมุปบาทนอกนั้นมีเรื่องอาตการบรรลุธรรมสังสารวัตรลาบสการะเป็นต้นจัดเป็นสิบสังยุต เล่ม17ดขันธวารวักว่าด้วยเรื่องขันห้าในแง่มุมต่างๆมีเรื่องเบตเตเลดรวมทั้งเรื่องสมาธิและทิฏฐิต่างๆปะปนอยู่บ้างจัดเป็นส3บสามสังยุตเล่มส8ปสลายตนาวักเกือบครึ่งเล่มว่าด้วยอายตนาหกตามแนวไตรลักษ์เรื่องอื่นมีเบญจศีลข้อปฏิบัติให้ถึงอสังคตะ อันตะคาหิกทิฐิเป็นต้นจัดเป็นสิบสังยุตเล่มสิบเก้ามหาวาราวักว่าด้วยโพธิปักขิยธรรมส7สิเจ็ดแต่เรียงลำดับเป็นมรคในวงเล็บพร้อมทั้งองค์ธรรมก่อนมรคโพชงสติปฐานอินทรีสมะปะทานภละอิทธิบาทรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นนิวรสังโยดอริยศสตร ชาญตลอดถึงองคุณของพระโสดาบันและอานิสง์ของการบรรลุโสดาปติพลจัดเป็นส2บสองสังยุตสี่อังคุตระนิกายชุมนุมพระสูตรที่เพิ่มจำนวนขึ้นทีละหน่วยคือชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเข้าเป็นหมวดหมวดเรียกว่านิบาตหนึ่งหนึ่งตามลำดับจำนวนหัวข้อธรรมะที่เพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแต่หมวดหนึ่งหมวดสองเรื่อยไปจนถึงหมวดสิบเอ็ดรวมสิบอ็ดนิบาทหรือสิบเอ็ดหมวดธรรมะมีเก้าันห้า้อห้าสิบเจ็ดูตรเริ่มต้นที่เล่มที่ยี่สิบเอกะทุกะติกะนิบาทว่าด้วยธรรมะหมวดหนึ่งเช่นธรรมะเอกที่ฝึกอบรมแล้วเหมาะแก่การใช้งานได้แก่จิต องคุณภายในอันเอกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้แก่ความไม่ประมาทรวมทั้งเรื่องเอตะทกฆะทุกกนิบาทหมวดสองเช่นสุขสองามชุดคนพานสองบัณฑิตสองปฏิสันฐานสองฤทธสองเป็นต้นติกานิบาทหมวดสาเช่น มารดาบิดามีฐานะต่อบุตรสามอย่างความเมาสามอธิปไตยสามสิกขาสามเป็นต้นเล่มที่ยี่สเอ็ดจะตุ ก, กานิบาทว่าด้วยธรรมะหมวดสี่เช่นอริยธรรมหรืออริยธรรมสี่พุทธบริสัทสีประธานสี่อคติสี่จักสี่สังหะวัตถุสี่เป็นต้น เล่มที่22สองปัญจกะจักกะนิบาทว่าด้วยธรรมะหมวดห้าเช่นพละห้านิวอนห้าอภินหะปัจเจเวห้านกรบห้าเป็นต้นและจักกะนิบาทหมวดหกเช่นสารณียธรรมหกอนุตริยะหกคารวตาหกอภิฐานหกเป็นต้นเล่มยี่สิสาม สัตตกะอัตตกะนวกะนิบาศว่าได้หมวดเจ็ดคือสัตตกะนิบาศเช่นอริยทรัพย์เจ็อนุสัยเจ็ดอปริหานิยธรรมเจ็ดสัพปริสธรรมเจ็ดการ l a y a นมิตรธรรมเจ็ดพันรยาเจ็ดเป็นต้นหมวด8อัตตกะนิบาทเช่นโลกธรรมแปดคุณสมบัติของภิกษุที่จะไปเป็นทูตแปด 8. ฐาน8ปานวัตถุ8การบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุสาในระดับต่างๆ8สัพปริสตาน8ทิฏฐะธรรมิกะสัมปรายิกะทิกะธรรม8ดเป็นต้นและหมวดเก้านวากนิบาตเช่นอาคาทวัตถุเก้าอนุปุพพนิโรธเก้าอนุปุพพวิหารเก้านิพพานทันตาก้า เป็นต้นเล่มที่ยี่สิสทัศกะเอกทัศกะนิบาทว่าด้วยธรรมะหมวดสิบคือทัศกะนิบาทเช่นสังโยชนิสิบสัญญาสิบนาทะกระธรรมสิบวัธิธรรมสิบเป็นต้นและเอกทัศกะนิบาทหมวดสิบเอ็ดเช่นธรรมะที่เกิดต่อจากกันตามธรรมดาไม่ต้องเจตนาสิบเอ็ด อานิสงส์เมตตาสิบเอ็ดเป็นต้นในอังคุตรนิกายมีข้อธรรมะหลากหลายลักษณะตั้งแต่ทิฏฐิธรรมิกัฏถะถึงปารมัตถะทั้งสำหรับบรรพชิตและสำหรับขรรษหัดกระจายกันอยู่โดยเรียงตามจำนวน 5. ขุตกนิกายชุมนุมพระสูตรคถาพาสิทธ์คำอธิบาย และเรื่องราวเบตเตเลดที่จัดเข้าในสีนิกายแรกไม่ได้รวมส5บห้าคำภีประกอบด้วยเล่ม2ี่สิบห้ารวมคำภีย่อยห้าคือหนึ่งขุท ธ, ธะปาฐะรวมบทสวดย่อยๆเช่นมงคลลสูตรรัตนสูตรกรณียเมตสูตร 2. ธรรมบทบทแห่งธรรมะหรือบทร้อยกรองเอ่อยเอื้อนธรรมะ มี423คาถา 3. อุทานประสูตรแสดงคาถาพุทธอุทานมีความนำเป็นร้อยแก้วแปสิบเรื่อง 4. อิติอุตตะประสูตรที่ไม่ขึ้นต้นด้วยเอวัมเมสุตังแต่เชื่อมความเข้าสู่คาถาด้วยคำว่าอิติอุตจติ รวม112้สิบสองสูตรหสุตตานิบาตชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษซึ่งเป็นคถาล้วนหรือมีร้อยแก้วเฉพาะส่วนที่เป็นความนำรวมเจ็ดสิบเอ็ดสูตรเล่มยี่สิบหกมีคำพีย่อยสี่ซึ่งเป็นบทประพันธร้อยกรองคือคถาล้วนได้แก่หนึ่ง วิมานวัตถุเรื่องคู่เกิดในสวรรค์อยู่วิมานเล่าการทำความดีของตนในอดีตที่ทำให้ได้ไปเกิดเช่นนั้นแปดิห้าเรื่อง 2. เปตะวัตถุเรื่องเปรตเล่ากรรมชั่วในอดีตของตนห้าิบเอ็ดเรื่องสเทระคาถาคถาของพระอรหันตัดเทระ264รรูป ที่กล่าวแสดงความรู้สึกสงบปรานีดในการบรรลุธรรมเป็นต้น 4. เถรีคาถาคาถาของพระอระหันตเถรีเจบสารูปที่กล่าวแสดงความรู้สึกเช่นนั้นเล่ม27ชาดกภาคหนึ่งรวมบทร้อยกรองคือคาถาแสดงคติธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อครั้งเป็นพระพวทิสัตว์ในอดีตชาติและมีคถาภาษิตของผู้อื่นปนอยู่บ้างภาคแรกตั้งแต่เรื่องที่มีคถาเดียวคือเอกนิบาตถึงเรื่องมีส0คถาคือจตารีสานิบาตรวมห2 5ยิห้าเรื่องเล่ม28ชาดกภาคสองรวมคถาอย่างในภาคหนึ่งนั้นเพิ่มอีก แต่เป็นเรื่องอย่างยาวตั้งแต่เรื่องมีห0สิบคาถาคือปัญญาสานิบาตถึงเรื่องมีคาถามากมายคือมหานิบาตจบลงถึงมหาเว ส, สันดอนชาดกซึ่งมี 1,000 พันคาถาภาคนี้มี22เรื่องบรรจบทั้งสองภาคเป็นห4 7ชาดกเล่ม29มหานิเทศ พาสิทธ์ของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร16หสูตรในอัตกะวักแห่งสุตตนิบาตเล่มสามสิบจุลนิเทศพาสิทธ์ของพระสารีบุตรอธิบายขยายความพระสูตร16สูตรในปารายนาวักและคัคควิสานสูตรในอุรคาวักแห่งสุตตนิบาตเล่มสาสิบเอ็ดปฏิสัมพิามัก ภาษิตของพระสาวรีบุตรอธิบายข้อธรรมที่ลึกซึ้งต่างๆเช่นเรื่องยานทิฐิอนาปานอินซีวิโมกเป็นต้นอย่างพิสดารเป็นทางแห่งปัญญาแตกฉานเล่มสาสิสองอภทานภาคหนึ่งบทประพันธ์ร้อยกรองหรือคาถาแสดงประวัติพระอาหารหันต์โดยเฉพาะในอดีตชาติ เริ่มด้วยพุทธะอปาทานประวัติของพระพุทธเจ้าปัจเจกับพุทธอปาทานเรื่องราวของพระปัจเจกับพุทธเจ้าต่อด้วยเทระอปาทานอัตตประวัติแห่งพระอรหันตเทระเริ่มแต่พระสารีบุตรพระมหาโกคลานะพระมหากสปะพระอนุรุตพระอานุนต่อเรื่อยไปจนจบภาคหนึ่งรวมสี่ร้อยสิบรูป เล่มส3อสสาอัปทานภาคสองคาถาพระพันแสดงอัตตประวัติพระอรหันตเทระต่ออีกจนถึงรูปที่ห้าร้อยห้าสิบต่อจากนั้นเป็นเทรีอัปทานแสดงเรื่องราวของพระอรหันตเทรีสี่สิบเรื่องเริ่มด้วยพระเทรีที่ไม่คุ้นนามส6หรูปต่อด้วยพระเทรีที่สำคัญคือพระมหาประชาบดีโคตมีพระเขมา พระอุบลวรรณนาพระประตาจาราพระยะโสธราและท่านอื่นๆครั้นจบอปิธานแล้วท้ายเล่มส3สสามนี้มีคำภีพุทธวงศ์เป็นคาถาประพันธ์แสดงเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีต24พระองค์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเคยได้ส่งเฝ้าและได้รับพยากรณ์จนถึงประวัติของพระองค์เอง รวมเป็นพระพุทธเจ้า25้าพระองค์จบแล้วมีคำภีสั้นๆชื่อจริยาปิดกเป็นท้ายสุดแสดงพุทธจริยาในอดีตชาติ35เรื่องที่มีแล้วในชาดกแต่เล่าด้วยคาถาประพันธ์ใหม่ชี้ตัวอย่างการบำเพ็ญบารมีบางข้อขุตกานิบาทนี้เมื่อมองโดยภาพรวมก็จะเห็นลักษณะที่กล่าวว่า เป็นที่ชุมนุมของคาภีปลีตย่อยเบตเตเลตคือแม้จะมีถึง15คห้าคำพีรวมได้ถึงเก้าเล่มแต่มีเพียงเล่มแรกเล่มเดียวคือเล่ม25หที่หนักในด้านเนื้อหาหลักธรรมแต่ก็เป็นคำพีเล็กๆในเล่มเดียวมีถึงห้าคำพีทุกคมภีมีความสาคัญและลึกซึ้งมากอีกสามเล่มได้แก่เล่ม28ถึงสสคือนิเทศ และปฏิสัมพิธามักแม้จะแสดงเนื้อหาธรรมะโดยตรงแต่ก็เป็นคำอธิบายของพระสาวก ค, คือพระสาวรีบุตรที่ไขความพุทธพจน์ ท, ที่มีอยู่แล้วในคำพีข้างต้นถือได้ว่าเป็นต้นแบบของอัตถกถาที่เหลือจากนั้นอีกแปดคำพีล้วนเป็นบทประพันธ์ร้อยกรองที่มุ่งความไพเราะงดงามให้เราความรู้สึกเช่นเสริมศรัทธาเป็นต้น คือเล่ม26วิมานวัตถุเปตะวัตถุเทระคาถาเทรีคาถาเล่าประสบการณ์ความรู้สึกและคติของคนดีคนชั่วตลอดจนพระอระหันตาสาวกที่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างสำหรับเราให้เกิดความรู้สึกสังเวชเตือนใจและเรากำลังใจให้ละความชั่วทำความดีและเพียรบำเพ็ญอริยมรรค เล่ม2 7ถึง28ชาดกแสดงกติธรรมที่สั่งสอนและเร้าเตือนให้กำลังใจจากการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเองเล่มส2สองถึงสสาอปปทานพุทธวงศจริยาปิดกเป็นบทร้อยกรองบรรยายประวัติปฏิปทาและจริยาของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวก ในแนวของวันศิลที่จะเสริมภาษาและจรรลงศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรัย